วันนี้วันเข้าพรรษาราชการเขาหยุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่หยุดอาสันหะเป็นไงหยุดไหมหยุดสองวันนะอาสันหะจะได้เป็นวันของญาติโยมไปทําบุญวันเข้าวพรรษาวันของพระไม่เกี่ยวกับโยมมอปล่อยหยุดกับเขาด้วย จะว่าไปเวียนเทียนวันอาสาฬหะดึกเลยเข้าพรรษาหยุดชดเชยให้โยมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเข้าพรรษาจริงๆแต่เดิมก็ไม่มีนะมีชาวบ้านเข้านินทาว่าพระเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยไม่มีเวลาหยุดพักเลยนะพระเจ้าก็เลยกําหนดนี่ไหนๆพระก็ไม่ได้ร่อนเร่แล้วก็เลยต้องศึกษากันหนักหน่อยเป็นช่วงเข้าพรรษาคล้ายๆเป็นอินเทนซีฟคอร์สของพระ นิยมก็จะเอาอย่างบ้างก็ได้นะหลวงพ่อเคยได้ยินมีคนหนึ่งคือเป็นคนจีเนสคนหนึ่งหลวงพ่อจับไม่ได้แน่นะเดี๋ยวอ้างผิดคนคือคนอื่นเ้าอดเล่าตอนเข้าพรรษาแกกินเหล้าเข้าพรรษา <c ười> คนไปถามว่าทำไมงั้นล่ะนะผิดประเพณีแค่ บ, บอกว่าพรรษามันสามเดือนเองนะปีนึงแกกินสมเดือนเองดีกว่าไอ้พวก ปีหนึ่งกินตั้งกี่เดือนเก้าเดือนอ๋อเห็นไหมใครจะดีกว่าใครแล้วนะไม่กินได้ก็ดีที่สุดนะเหมือนลองดูว่าในพรรษานี้ลองตั้งปณิธานกับตัวเองดูต้องลองอธิษฐานฝึกอธิษฐานนบารมีดูในข้าพาษานี้เราจะทำคุณงามความดีอะไรลองดูสเดือนเช่นเราจะไม่ช็อปปิ้งถ้าไม่จาเป็นนะ ลองดูสิตายไม่ตาย3เดือนนี้มันจะไม่มีเสื้อผ้าใช้เชี่วเดียวเลยนะสเดือนนี้อะไรอย่างงี้ยนะนะลองฝึกตัวเองนะไม่ได้บังคับนะลองหาดนะูสามเดือนนี้เราจะลองฝึกใจตัวเองให้มันเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยอยังไงดีแต่ต้องไม่เหลือวิสัยนะบางคนไปตั้งเงื่อนไขจนกระทั่งตัวเองทำไม่ได้แล้วเครียดจัดหลวงพ่อเคยเจอไอ้หนุ่มคนนึงบอกว่าถ้าหากทําไม่ได้นะจะกําหนด เวันถ้าทําไม่ได้นะจะบวกเข้าไปเป็น14วันวันที่หลวงพ่อมาเจอหน้ามนะันตอนนี้แปเดือนแล้วนะมันเครียดจะตายอยู่แล้วนะมันไล่ยังไงก็ไม่ทันนะบอกโอไ้ไปตั้งอะไรที่ตัวเองทําไม่ไหวสิก็อธิษฐานเอาหน้าอันนี้ไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะงั้นเราก็อย่าไปตั้งอธิษฐานอะไรซึ่งมันทําไม่ไหวนะ เช่นทุกวันเราจะต้องนั่งสมาธินะกลับจากทางานมาถึงบ้านแล้วจะนั่งสมาธิสามชั่วโมงเดินจงกรม3มชั่วโมงอะไรเงี้ยมันทำไม่ไหวก็เครียดไม่ต้องทำอะไรที่ตัวเองเครียดกระทั่งพระนะพระมาบอกหลวงพ่อว่าขอบวชไม่สึกหลวงพ่อบอกอย่าพูดอย่างนั้นเลยเอาว่าบวชไม่มีกําหนดดีกว่าอยากสึกเมื่อไหร่ก็สึกไปบอกบวชไม่สึกนะแล้วก็มาเป็นเป็นพระก็เป็นพระอึดอัด เนโยมก็โยมอื่นอัดพระม่ามีพระอึดอัดนะชื่อพระอะไรนะลืมแล้วพระมนูหาชื่อพระอึดอัดอึดอัดเพราะว่าองค์ใหญ่มากแต่สาลาที่ครอบท่านนะั้นเล็กนิดเดียวเลยเข้าไปแล้วเนี่ยนะพอพ้นประตูเหลือมีที่อยู่แค่เนี่ยมอ ง, มองแทบไม่เห็นพระเลยนี่ทําอะไรทําแค่พอดีพดีแล้วงามนะะอะไรมากไปน้อยไปก็ไม่งามหรอก เราก็เลือกเอานะหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราพอทำได้นะสาวๆลองดูซิว่าไม่เข้าศูนย์การค้าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะนะเราวัดใจใตัวเองดนะูมันอยากมากแค่ไหนนะหนุ่มๆนะอเาอาอะไรบ้างนะไม่กินเหล้านเรื่องธรรมดานะก่อนกินเหล้าเดี๋ยวนี้ล้าสมัยไปแล้ว เรการที่เราจะฝึกใจนะั้นเราก็ต้องมีบา ร, รมีนานาชนิดบา ร, รมีตัวหนึ่งชื่ออาทิษฐานบา ร, รมีตัวนี้สําคัญมากเลยอธิตฐานบา ร, รมีหมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจจะทําทคุณงามความดีแล้วเนี้ยสู้ตายนะต้องทาให้ได้แต่อย่าตั้งให้โอเวอร์นะตั้งโอเวอร์ไม่ได้คล้ายๆเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในคืนสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เนี้ยในคืนนั่นแหละคืนที่จะตรัสรูนะ้ท่านเอาญ่าวางลงไปไหมย่ากุศะ ไม่ใช่หญ้าคานะคนไทยมาแปลว่าหญ้าคาคือนั่งหญ้าคาก็บาดเอาเท่านั้นเอมันหญ้า ก, กูสดหญ้านี้มันจะนิ่มเขาก็ไว้ลองนั่งกันอยู่แล้วถ้า เ, าเอาหญ้าปูลงไป8ปดกำมือมีอยู่8ปดกำมือพอลองนั่งไม่หนาเท่าไหร่อยู่ใต้ต้นโพเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านไม่ลุกขึ้นมาแล้วพวกเราคืนตั้งใจอย่างนั้นตายฟรีนะ แต่คง <soap> ไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ลุกแล้วคงไม่ถึงกับตายฟรีทําไมก่อนหน้านั้นท่านไม่อธิฐานตัวนี้ท่านพร้อมทุกอย่างแล้จิตใจท่านนะพร้อมหมดทุกอย่างแลท่านลองค้นคว้ามาจนมันสุดความดิ้นรนแล้วเนี่ยเขเลยกลายเป็นว่าท่านพร้อมแล้วท่านก็เลยอธิฐานไม่ถอยนี่พอลงนั่งท่านเลยว่าไม่ถอยนะตายก็ตายเนี่ยมันก็ไม่ยั่วเสีย พรนิพพานอยู่ภากตายจริงๆนะมารก็มาบอกตายแน่ๆนะรอบเนี้ยให้ใจเสียเลิกเถอะเลิกเหอะนะเลิกแล้วกลับไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างพวกเราถ้าภาวนาถึงจุดสําคัญจะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนะนี่ยมารไม่มาบอกเราว่าจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรอกเพราะเราไม่เชื่อหรอกว่ายุคนี้จะมีใช่ไหมมารก็บอกว่าลุกไปเถอะอย่าไปภาวนาต่อเลยเราจะมีความสุขที่สุดอยู่แล้วละ่ะ เพาเราภาวนามาถึงขนาดนี้ก็มีความสุขมากอยู่แล้วเหนือกว่าคนทั้งโลกแล้วยิ่งกว่าจักรพรรดิอีกเนะพราะพระโสดาบันเนี่ยนะมีคุณค่ายิ่งกว่าพระจักรพรรดิพระเจ้าบอกนี่ท่านไม่ยอมนะท่านก็ใจเด็ดเพราะท่านตั้งใจว่าไม่ถอยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวสําคัญถ้าลังเลโลเลนิดเดียวนะถอยเลยเหตน้าบารมีทุกๆตัวเนี่ยเราจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธสําคัญ ตอนจะทําสงครามข้ามภพข้ามชาติทํำสงครามล้างชาติทุกทุกตัวบารมีทุกตัวเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อลดละอัตตาตัวตนทั้งสิน้นเป็นกําลังให้เราลดความเป็นตัวตนทั้งสิ้นเลยอย่างอาธิฐานบารมีเนี่ยตั้งใจแล้วนะตายเป็นตายเพื่อธรรมะก็ยอมนะมีฐานะบารมีสละชีวิตเพื่อธรรมะก็ยอมนะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ล้มล้าง ความยึดในตัวในตนทั้งหมดเลยอย่างปัญญาบารามีเนี่ยเรียนลงไปแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ก็เป็นตัวล้มล้างความยึดในตัวในตนทั้งหมดเลยทุกๆตัวแหละจะช่วยเราลดล้างความเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องค่อยสะสมของเราไปทุกๆตัวค่อยๆเก็บสแปรไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนการภาวนาห้ามรีบร้อนถ้ารีบร้อนน้โลภะมันนาหน้าไป พอโลผ้านำหน้าภาวนาไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจนะโทสะมันก็แทรกหงุดหงิดสิภาวนามาตั้งนานแล้วไม่บรรลุสทัทีบางคนก็หงุดหงิดนะภาวนาตั้งสามวันยังไม่จบอีกหงุดหงิดนะมันก็มากไปหน่อยหน้าอย่างนั้นถ้าภาวนากันแรมเดือนแรมปีหลายๆลายปีจริงๆแล้วแต่ละคนนภะาวนาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวหรอกคนซึ่งภาวนาไปได้ง่ายๆเนี่ยนะถ้าถามดูเนี่ยจะพูดเหมือนๆกันเลย ว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นแล้วนะจะรู้สึกเลยว่าสภาวะอย่างเงี้ยเคยเจอมาแล้วแต่ลืมไปลืมไปนานเลยนะลืมไป20ปี10ปี15ปี20ปีอะไรเงี้ยคือลืมมาตั้งแต่เกิดนะตอนเด็กๆเกนี่ยมันเคยโผล่ๆขึ้นมาให้เห็นๆบ้างนะั้นเราก็งงๆนะไม่รู้จักหรอกพวกเราหลายคนในห้องนี้เคยภาวนานะพอเราตื่นขึ้ น, นมารู้สึกไหมมันเหมือนเคยเค ย, เคยเห็นนะมันเคยเห็นเคยรู้เนี่ยอย่างคุณ คุณมาลีไก่เคยอะไรเนี่ยมีเยอะนะเยอะมันจะรู้สึกว่าเคยเห็นมาแล้วคนที่รู้สึกว่าเคยเห็นมาแล้วนี่คือคนซึ่งเก็บสะสมมาแล้วชาตินี้เริ่มแก่แล้วไม่ใช่แก่ทางสรีระนะทางสรีระนะทุกคนก็แก่มาตั้งแต่เกิดเด็กหนึ่งวันมันก็แก่หนึ่งวันนะไม่ใช่เด็กหนึ่งวันมันไม่แก่ไม่ไรล่ะไหมคนมันแก่มันอายุหนึ่งวันมันก็ตายแล้วก็มี เนื้อเราสะสมมาข้ามภพข้ามชาติมาเังนั้การภาวนาเนี่ยจะไม่ไม่ลำบากมากพอมากลับมาเจอของเดิมเนี่ยไม่ลําบากแล้วถนนเส้นนี้เคยเดินแต่เดินทะเลทไหลออกนอกทางมาช่วงหนึ่งนะกลับมาเอ๊ะถนนเดิมอันนี้เคยเดินเดินไม่ยากละที่ผ่านมาทะเลทะไหลออกนอกรููนอกทางไปบ้างดั้นถ้าพอเจอถนนของความรู้สึกตัวและรู้สึกตัวไปแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจนะ คมรู้สึกตัวที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติเป็นต้นทางเท่านั้นนะไม่ใช่กลางทางไม่ใช่ปลายทางเป็นต้นทางเองนะพอรู้ตัวเป็นแล้วต้องทำงานต่อหรือต้องเจริญสติปัฏฐานเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนมีคนหนึ่งมาเรียนกับหลวงพ่อนะชื่ออาจารย์สุรวัตรนะมาเรียนมาเรียนอยู่เดือนสองเดือนเลยเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเออสุรวัรรู้ตัวเป็นแล้ว ต่อไปนี้ให้เจริญสติปัฏฐานแต่จะเจริญยังไงก็ไปหาเอาเองก็แล้วกันขี้เกียจสอนคนซึ่งมันอินทรีย์แก่กล้านะมันไปเองอะ่ะบอกแนวบอกชี้หลักเขตให้ดูนะชี้หมุดให้ดูก็ไปเองอะ่ะบอกหลวงพ่อไม่บอกนะว่าจะให้ทําสติปัฏฐานอะไรไปทำเอาเองแต่ว่าต้องทําสติปัฏฐานจะมารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้นะ ดูตัวเฉยๆใช้ไม่ได้จิตไปเกาะความว่างนิ่งๆอยู่หลายคนมาภาวนาหลังๆเนี่ยเป็นเยอะนะภาวนาไปช่วงหนึ่งแนละ้วจิตใจสบายปโปร่งๆแล้วก็อยู่ตรงนั้นน่ะถ้าดูให้ดีนะมีหูตาไวๆในะเราจะเห็นในคนชนิดเนี้ยจิตมนันออกนอกจิตมันออกนอกนะกระจายไปอยู่รอบๆนอกไปอยู่ข้างหน้าๆอะไรเงี้ยอยู่นอกตัวเองจิตไม่ตั้งมั่นอรอกงั้นอยู่มากี่เดือนกี่ปีก็มีแต่ความสุขนะเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นทุก ทำไมมันไม่เห็นทุกข์เพราะมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจกายกับใจนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็เรียกว่าไม่มีวันถึงธรรมล้ต้องรู้ทุกข์นะถึงจะถึงธรรมไม่ใช่ไปรู้ความว่างแล้วถึงธรรมรู้ความว่างไม่ถึงธรรมบางคนก็ง่ายๆนะอย่างไปอ่านหนังสือเซนดูใครเคยอ่านหนังสือเซนเวลาอ่านหนังสือเซนไปช่วงหนึ่งรู้สึกไม่ใจเราแปลกๆรู้สึกโล่งๆว่างๆนะแปลกๆตรงนี้เราว่าเป็นผ้าละหันนะนะแล้วก็ไปน้อมใจไปอยู่ตรงนี้ทําอย่างนี้ เนี่ยเห็นโลกธาตุว่างว่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เคาะออกมาให้มันออกมารู้สึกตัวให้ชัดๆพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยรู้กายตามที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปจ้องไว้ก่อนเนจุดที่ผิดนะมันเต็มไปหมดเลยบางทีก็ลอยๆไปกว้างๆอันนี้ก็ผิดละไปจ้องเอาไว้ก็ผิดอีกละ นันสุดตง่งงสองข้างเลยลอยๆอยอกไปน้ําหลงตามกิเลสไปมันอยากสุขอยากสบายก็ไปเกาะเอาความว่างๆก็ยังดีกว่าชาวโลกนะชาวโลกหลงตามอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปฟุ้งซ่านก็มีความสุขเหมือนกันนะฟุ้งซ่านก็มีความสุขอย่างเที่ยวไปดูสาวมันก็มีความสุขใช่หไหมมันหลงไปเป็นกิเลสพาไปมันก็มีความสุขได้เหมือนกันนี่ก็คอยดูเอานะไม่หลงไปอยู่ในความว่างๆ ขนาดเดียวกันเขาอย่าไปดักดูถ้าไปดักดูไปรอดูจะกลายเป็นการเพ่งจ้องเพ่งจ้องใช้ไม่ได้หรอกอย่างบางคนอยากดูจิตใช่ไหมไปจ้องไว้เลยจิตมันจะขยับไงจ้องจ้องจ้องไม่เห็นมันจะขยับเลยความจริงขยับเสร็จเรียบร้อยแล้วขยับตรงไหนขยับจากตรงนี้นะพุ่งลงไปจ้องอยู่ที่นี่พุ่งออกไปเกาะเรียบร้อยแล้วจิตส่งออกนอกเรียบร้อยแล้วแต่อย่างนี้หลวงปู่เทศเรียกว่ า, วาจิตส่งหน หลวงปู่ดูลัท่านเรียกเหมาออกนอกหมดเลยออกนอกจากรู้ก็เรียกว่าออกนอกทั้งนั้นแหะแต่จิตตั้งมั่นอยู่กับรู้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่รู้อะไรนะก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ป ร, รากฏรู้ทั้งรูปธรรมรู้ทั้งนามธรรม ท, ที่กําลังปรากฏแต่จิตตั้งมั่นอยู่ต่างห่างนะจิตตั้งมั่นอยู่ต่างห่างไม่ถลำลงไปรู้นี่ถลำลงไปรู้เนี่ยเป็นกันเยอะเวลาอยากรู้ให้ชัดก็ถลำไปรูนะ้อยากรู้ให้ไวๆก็ถลำไปรู้นะ กลัวว่าจะไม่รู้ก็ถลําไปรู้อีกถลําลงไปจ้องไว้ก่อนถ้าถลําลงไปรู้ใช้ไม่ได้นะต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้อยู่หังหังดูอย่างสบายๆนะเนี่ยของคุณที่นั่งข้างสาวนั่นนะ่ะอย่างนั้นน่ะมันถลําไปรู้นะถลําลงไปถลําลงไปรู้มันกลายเป็นการเพ่งจ้องทําไมต้องถลําลงไปเพราะมีโลภะนํานหน้าอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็เลยถลําลงไปดูเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ก็นิ่งๆสิไปจ้องเอาไว้มันก็นิ่งจิตนี้มันก็เหนี่ยมเป็นนะเราไปจ้องมันนะมันไม่กล้ากระดุกกระดิกนะมันก็เหนี่ยมเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆอยู่อย่างั้นแหละเราอย่าไปจ้องไว้นะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอารู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ใช่ภูมิของเราภูมิของเราต้องรู้บ้างเผลอบ้างเราไม่ใช่พระลราหันนี่ พระอรหันต์นั้ท่านรู้อยู่เรื่อยๆเพราะอะไรท่านไม่ได้จงใจจะรู้ด้วยนะมันรู้อัตโนมัติรู้เองนี่พวกเราไม่ใช่พระอรหันต์เราก็จะมารู้อยู่ตลอดไม่ได้หรอกเราก็ต้องรู้บ้างเผลอบ้างถึงอยากรู้ตลอดนะมันก็จะหลงเลยเช่นหลงไปเพ่งไปจ้องนี่นเราคอยดูใจของเราใจเราไหลไปเราก็ค่อยรู้ไหลแล้วก็รู้ไหลเราก็รู้นะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปจ้องไหลไปเพ่งใจมันไหลไปทั้งนั้น แล้วก็ค่อยรู้ทันเราเราจะเห็นให้จิตมันไหลไปได้เองจิตนี่มันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดนะแล้วมันก็บังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไนหะนใครลองสั่งซิจงดูอย่างเดียวไม่คิดลองทําได้ไหมทําได้เหมือนกันถ้าชํานาญในการเพ่งกรสินถ้าชํานาญในการเพ่งทําได้เหมือนกันเป็นสมถะ แต่โดยจิตของคนทั่วไปที่อยู่ในกามาวาจรภูมิเรียกกามาวาจระภูมิคือจิตที่บนอยู่ในโลกอย่างพวกเราอย่างเนี้ยมันต้องดูแล้วก็มาคิดมันต้องฟังนะแล้วมันก็คิดได้กลิ่นแล้วมันก็คิดอย่างพอได้กลิ่นใช่ไหมมันต้องมาคิดก่อนใช่ไหมมันถึงจะรู้ว่ากลิ่นอะไรตามองเห็นมันต้องคิดก่อนนะถึงจะรู้ว่าเห็นอะไรนีมันต้องมาอาศัยการคิดฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเห็ <c oughs> นไหมขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วก็ต้องไปคิดใช่ไหม คิดแล้วก็นึกว่ารู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องด้วยธรรมะแท้ๆแล้วแต่รู้ด้วยการคิดเอาเองขนาดฟังหลวงพ่อนะสุดท้ายก็คิดเอาเองสังเกตรจริต <Olivier> ให้ดีนะฟังหลวงพ่อเสร็จแล้วก็แอบไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดรู้สึกไหมในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่อ ง, ง Panther, ที่บอกว่ารู้เรื่องนันรู้เรื่องตอนคิดเพราะฉะนั้นรู้เพราะคิดเอาเองนะไม่ใช่รู้จริงหรอกการรู้ธรรมะเพราะคิดเอาเองเองนี่ยไม่ลบล้างกิเลสใดๆทั้งสิ้นเลย ธรรมะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคำวิปั ส, สนาแปว่าเห็นเอาคำว่าปั ส, สนาแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่การคิดการคิดเรียกจินตาจินต์นั้นต้องต้องรู้เอานะคอรู้สึกเอานั้นใจเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเราครรู้นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเ น, ะนี่ยคนซึ่งมีผ้าลูกไม้กลุมอ่ะรู้สึกเปล่ า, เ, าเพ่งสลับกับเผลอดูออกไหนะ เบอร์หกรู้สึกไหมแข็งชื่อๆือไปแล้วรู้สึกไหมเนยเบอร์88สนใจเขาลืมตัวเองไปแล้วรู้สึกไหมนี่หัดรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกไปรู้ทันจิตใจที่มันทำงานไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งว่าจิตที่มันทำงานอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราค่อยฝึกเราอย่างนี้นะเนี่ยปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่พ้นทุกข์เป็นลดับลาดับไป พระโสดา บ, บันไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดา บ, บันรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปตัวเราไม่มีทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับนะไม่มีตัวตนที่ถาวรที่ว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราถ้าพูดให้เต็มยศนะก็คือไม่มีตัวตนที่ถาวร น, นะไม่มีหรอกมีแต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาเป็นคราวๆ ร, รู้สึกขึ้นเป็นคราวๆจริงๆไม่มีคอยดูเอานะถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งโอ้ตัวตนที่ถาวรไม่มีหรอกทุกสิ่งมีแต่เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็ดับพวกเรายัางรู้สึกว่ามีตัวตนถาวร อ, อยู่ปุถุชนทุกคนจะรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนนึงในร่างกายนี้รู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละคือเราละ่ะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเดิมไมรู้สึกอย่างนี้นะต่อเมื่อเรามาเจริญสติจนสันตติขาดเราถึงจะรู้ว่าไม่มีเราจริงหรอกสันตติขาดยังไงเช่นจิตเราเผลอไปแล้วเราก็รู้สึก เผลอไปแล้วเราก็รู้สึกแต่ก่อนเราเผลอตลอดวันเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีรู้สึกนะเป็คนในโลกไม่เคยรู้สึกตัวงั้นสันตติไม่เคยขาดเลยมันต่อเนื่องตลอดเลยรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอเห็นว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะถึงจุดหนึ่งมันฉลาดขึ้นมาจิตขนาดที่เผลอก็ดวงหนึ่งนะจิตขนาดที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งมันเหมือนคนละคนมันเหมือนคนเดิมนะตายไปแล้ว คนใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่ก็เป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมอย่างบางคนทําผิดศีลแล้วกลุ่มใจนะโอ้ยเมื่อ5ปีก่อนเคยบี้มดสตัวตัวผู้ตัวตัวเมียตัวนะเนี่ยกลุ่มใจคิดทุกวันเลยนะความจริงไอ้คนที่บี้มดนั่นนะ่ะมันตายไปแล้วนะมันตายตั้งแต่บี้เสร็จไปแล้วนะไอ้คนที่บี้มดเนี่ยนะกำลังทําอากูศลกรรมอยู่ใช่ไหมไอ้คนซึ่งมันนึกเนะี่ยบี้ไปเสร็จแล้วโอ้ยเสียใจนี่ตัวนี้กําลังรับวิบากอยู่ คนละตัวกันแล้วหน้าคนละคนกันแล้วมันแว บ, บเดียวท่านั้นมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้เจ้าเล่ห์แล้วไปทําชั่วนะไปตีหัวเขานะ่าสมมติตีหัวคุณสืบสักด์แล้วคุณสืบสักด์จะชกคืนยุดกอนตัวนี้กับตัวเดิมนั้นคนละตัว <c oughs> อย่างนี้มันเอาธรรมะไปใช้ในเชิงอุบาทนะเนี่ย <c oughs> ไปทำํำแต่ถ้าเราหัดเจริญสติแล้วจะเห็นเลยคนที่เผลอไปนะก็คนหนึ่งนะเป็นตัวหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนละอันกัน เหมนมีช่องว่างมากคั้นเลยเหมือนคนละอันเลยนะพลีนคัตเลยนะขาดจากการชัดๆเลยนี่เรียกว่าสันตติขาดเพราะสันตติขาดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีตัวตนถาวรที่ว่าอันเดียวรวดตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีลนะเห็นทีแรกนะเห็นไปแรกๆเนี่ยใจยังยอมรับไม่ได้จะ ย, ยอมรับไม่ได้นะบางคนดูไปพักหนึ่งตายแล้วว่าตัวเราหายไปแล้วรู้สึกเซง็งเลยชีวิตนี้เซ็งมากนะเบิงวางวาง่างเปล่าหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่ทําไม มีชีวิตอยู่ยที่ละขนาดขนาดแล้วมันจะเสรสุขได้ไงนะต่อไปนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนี้บางคนก็เบื่อไปเลยนะเบื่อจับจิตจับใจเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนี่นเป็นอาการของคนที่ยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องดูอีกนะความเบื่อเกิดขึ้นก็รู้ทันมันไปเช่นเดียวกับสภาวะรำอย่างอื่นนั่นแหละความกลัวความเมืิงว่างเปล่าเกิดขึ้นก็ให้รู้ลงไปเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นๆนั่นแหละทุกอย่างก็เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยดูไป ใจ ย, ยอมรับความจริงนะใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นแต่สิ่งที่เกิดดับนะแต่ไม่มีเราผู้เกิดดับมีความโลภความหลงความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดแล้วก็เป็นไม่โกรธเห็นไหมความโลภเกิดแล้วก็เกิดความไม่โลภความหลงเกิดแล้วก็เกิดความไม่หลงมันเป็นคู่คู่คู่นะเวลาเรียนนะเรียนทีละคู่ทีละคู่ไปอย่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเนี่ยถ้ามีสติอยู่จะรู้เลยจะมีความรู้สึกนะไม่ใช่คิดนะ รู้สึกเลยไอ้คนที่หายใจออกนะเมื่อกี้นี่มันตายไปแล้วนะตอนไอ้ตัวนี้กําลังหายใจเข้าอยู่พอหายใจเข้านะเสร็จปุ๊บหายใจออกนะมันจะรู้สึกเลยไอ้คนที่หายใจเข้าตะกี้มันตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนถาวรหรอกทางจิตทางใจก็เหมือนกันนะจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยตัวจิตเองก็เกิดดับความโลภเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในขัน5มีแต่เกิดแล้วก็ดับ ทำไมต้องเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับเพื่อตัดสัน ต, ติให้ขาดตัดความสืบเนื่องให้ขาดขาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขาดแล้วจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะถ้าไม่ขาดมันจะมีตัวเราเที่ยงอยู่นั้นอ่ะกี่ปีกี่ชาตินะจนชาติหน้าก็ยังเป็นตัวเราอีกบางคนใช่ไหมจะตายเอาทรัพย์สมบัติไปฝังดินไว้นะอย่าเดี๋ยวฟื้นมาจะได้มาใช้มาเห็นมันฟื้นกันเลยนะ <c oughs> มันไม่มีตัวเราที่ถาวร น, นะดูไปเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงตรง น, นี้ วันใดที่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราที่ถาวรนี่ไม่มีวันนั้นแหละคือพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ใช่คนที่รู้อะไรเยอะแยะพระโสดาบันคือคนซึ่งจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วดับนะเกิดแล้วดับหมุนเวียนไปเรื่อยไม่มีตัวตนที่ถาวรเห็นอย่างนี้ความเป็นเราเกิดขึ้นได้เป็นคราวๆด้วยการชิดเอาแต่ตัวตนที่ถาวรนั้นไม่เคยมีเนี่ยสันตติขาดแล้วถึงจะเป็นถึงจะเห็นได้ค่อยๆฝึกเอานะ วันนี้เทศได้แค่นี้นะเชิญไปทานข้าว